ท่านฟองที่เครารพค่ะทีชั้นตอนนี้ก็ได้นำท่านฟังเข้าสู่รายการสัมสนสมนาในช่วงปีใหม่ 2,555 ซึ่งเราเชื่ออยู่เสมอนะคะว่าไม่ว่าอะไรจะมาใหม่แต่ธรรมะของพระพุทธองค์นั้นเป็นอากาศลิโกคือไม่จำกัดการใหม่ตลอดเวลาพูดอย่างนี้จะถูกหรือไม่เนี่ยต้องไปกราบเรียนถามพระคุณเจ้าอีกรูปหนึงนะคะที่ศึกษาพุทธเจนะ คำสอนของพระศาสดาอย่างลึกซึ้งแล้วก็นําออกมาตอบคาถามกับพวกเราอยู่เสมอในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จะนะปี2555นะคะนวัตสการ์ค่ะท่านเพริ บ, บุลค่ะอาจารย์บอลค่ะท่านคือพระเพริ บ, บุลอภิปุนโนจากวัตปาดอนไหโซอุดรธานีค่ะได้ฟังที่ที่ทนพูดขึ้นต้นเมื่อสักครู่นี้ไหมคะที่เกี่ยวกับธรรมะเป็นอากาลิโกค่ะแล้วก็ใหม่ไม่มีทันสมัยตลอดอย่างนี้นค่ะก็คือเป็นของที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลา ถ้าคุณโยมติว๋วพูดถึงว่าของที่ทันสมัยตลอดเนี่ยคือมันจะต้องมีการถ้ามันมีทันสมัยมันก็จะต้องมีล้าหลังอนะ oh. ถ้าเราพูดถึงอนาคตเราก็ต้องพูดถึงปัจจุบันยังไงอดีตอนาคตต้องมาด้วยเพราะฉะนั้น oh, <okay. S 1> คําที่เป็นอากาลิโกเนี่ยคือไม่เกี่ยวข้องด้วยเวลาเลยเวลาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้เลยค่ oh. ะเพราะฉะนั้นจะเป็นใหม่จะเป็นเก่าเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเวลาท oh. ่านฝั่งที่ครบคะ่ะ หยสักนิดหนึ่งมาทำความเข้าใจกันอีกครั้งท่านเผยบูรณ์ได้พูดถึงว่าต้องตอบอย่างนี้นะคะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบและได้ตรัสสอนเราเอาไว้ในพุทธวจะนะมาถึงทุกวันนี้เป็นอาการลิโกคือเป็ของที่ไม่เกี่ยวเนื่อง้วยการเวลาใช่ถ้าจะพูดมากไปกว่านี้ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจถึง อ่ความเป็นของที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยการเวลาอของธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยอท่านจ ะ, จะพูดแบบจะลองเปรียบเทียบระหว่างสามคำนี้ดูเป็นยังไงคำที่หนึ่งคือของที่เป็นของล้าสมัยคําที่สองก็เป็นของที่ทันสมัยกับคําที่สามนี่คือของที่อมต ะ, ะธรรมะเนี่ยเป็นของที่อมตะใช่ไห ม, มคือไม่ตายไม่ไม่เปลี่ยนเเป็นอากาลิโก เปท่านเราพูดถึงท่านสมัยเขาใช้คำว่าอมตะนี่ได้เลยได้ถูกต้องค่ะนะคะทีนี้อมาถึงเรื่องที่ท่านสมัยดิฉันใช้ทันสมัยอีกแล้วเดี๋ยวท่านก็วิจารณ์ไปด้วยกันละกันนะคะก็คือพรปีใหม่ 2,555 ซึ่งถือว่าเป็นพระโอวาทเพราะว่าเป็นของสมเด็จพระสังฆราชที่ประทานมาเนี่ยได้ความรู้จากบรรทัดนี้มากเลยนะคะท่านฟังก็คือว่าสมเด็จพระสังฆราชเราจะใช้ราชาศัพท์สําหรับท่าน ในการที่จะให้เนี่ยคือคําว่าประธานแล้วคํากล่าวของท่านเราเรียกว่าพระโอวาทอืเป็นพรปีใหม่ 2,555 ครับท่านเดี๋ยวข อ, อนุ ญ, ญาตที่จะอ่านให้ท่านฟังทั้งหลายฟังสักนิดเลยนะคะเอาเลยข่าวมีอยู่ว่าสมเด็จพระสังฆราชนะคะสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปริณายกประธานพระโอวาทวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2,555 ใจความว่า ตามคตินิยมของคนไทยทั่วไปเมื่อปีเก่าผ่านไปปีใหม่กำลังจะมาถึงต่างก็ปีติยินดีเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายว่ารอบปีหนึ่งของชีวิตได้ผ่านพ้นไปโดยสวัสดีมีสุขเป็นเหตุให้ชีวิตผ่านพ้นมาถึงปีใหม่อันจะเป็นรอบใหม่ของชีวิตที่ทุกคนมุ่งหวังและปรารถนาที่จะให้ดําเนินไปด้วยความสวัสดีมีสุข สำหรับประชาชนชาวไทยในรอบปีที่ผ่านมาคือพุทธศักราช2554นับเป็นมหามงคลสำหรับชาวไทยทั้งมวลเพราเป็นมหามงคลวโรวกาตราชาพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดรอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในรอบปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงคือพุทธศักราช2555ก็นับได้ว่าเป็นปีมหามงคลสำหรับชาวไทยอีกวาระหนึ่งเพราะเป็นปีที่พระพุทธศาสนาประดิษฐ์สถานอํานวยสุขแก่ชาวโลกเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องมาครบ 26ส่สศตวตรรษหรือ 2,600 ปีพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงจัดให้มีการเฉลิมฉลองอันเป็นการรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้สถิตนรรงอยู่คู่โลกตลอดกาลนานและการที่ชีวิตและวันเดือนปีจะดำเนินไปโดยสวัสดีนั้นควรที่ทุกคนจะได้เรียนรู้และน้อมนําเอาพระธรรมคําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้มาประพฤติปฏิบัติเป็นประจําวัน เพราะพระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้นั้นคือความจริงของชีวิตที่ทุกคนควรรู้ควรปฏิบัติซึ่งเมื่อน้อมนำมาปฏิบัติจริงก็ย่อมจะให้ผลดีจริงแก่ชีวิตตามควรแก่การปฏิบัติเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2555ขอพระจทารถวายพระพรชัยมงคลขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและพระราชกุศลบา ร, รมีอานวยให้ สมเด็จบรรมมาบาพิษพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์พร้อมด้วยพระบร ม, มวงศานุวงศ์จเจริญพระราชศรีสวัสดพิพิพัฒนสุขทุกประการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลอำนวยอวยพรชัยให้ประชาชนชาวไทยทุกมูลเล่าจเจริญอายุวันนะส ะ, ะ, ะสุขะพละประสบสันติสุขทั่วกันท่านฟังค้ะนี้คือทั้งหมดนะคะที่ดิฉันได้อ่านมาจากหนังสือพิมพ์มติชนเป็น โอวาทเขาเรียกว่าเป็นพระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชที่ประทานให้แก่พวกเราพวงชนชาวไทยเป็นพรปีใหม่2555ท่านเป็นปูนคะฟังแล้วเป็นเช่นไรคะเออก็เป็นจะมีค่ะท่านก็เป็นสายโอภาษเดียวกับของอาตมาน ะ, ะอาตมาก็บสถอยู่ที่วัดบรวรนิเวศวิหารเพราะนั้นก็เป็นโอวาทเป็นพระโอวาทที่ได้ให้กับพวงชนชาวไทยเนาะถ้าเรามาพูดถึงสิ่งที่เป็นพุทธวัฒนะในโอวาทนี้ สมเด็จสังกายก็ได้มีพระโอวาทเกี่ยวกับเรื่องของการทําบุญแล้วก็จะมีอายุวรรณะสุขภะภะถูกไหมซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสอย่างนี้เหมือนกันนั่นคือเรื่องของอายุาพระพุทธเจ้า พ, พูดถึงว่าคนทําบุญเนี่ยจะทําทให้เกิดอายุอายุในที่นี้นนเคยขยายความไว้อีกที่หนึ่งนั่นคือเรื่องของการเจริญอิทธิบาท4ี่พอเราเจริญอิทธิบาท4ก็ชื่อว่ามีอายุาลก วันณะนะวันณะในที่นี้นะพูดถึงผิวพรรณงามนะความผิวพรรณงามในความหมายบื้งลึกที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อีกที่หนึ่งนั่นหมายถึงเรื่องของศีลถ้าใครคมีศีลนะก็ชื่อว่ามีผิวพรรณงามมีความหอมมีความสวยงามในลักษณะนี้เรื่องของความสุขใช่ไหมอายุวันณะสุขคะความสุขนี้พระพทุทธเจ้าตรัสถึงสมาธิฌานที่สี่ สมาธิชั้นที่4ต้องมีต้องขึ้นไปถึงชา้นสี่ถึงจะได้พบความสุขอย่างนั้นเหรอค ะ, อะก็ตรงนั้นจะเป็นมาตรฐานถ้าได้น้อยไปได้น้อยกว่าชา้นสี่ 4, ก็จะได้ระดับของความสุขที่น้อยลดหลั่นกันมาเรื่อยๆอ๋อค่ ะ, ะแล้วถ้าพูดถึงความสุขที่มีความเสียดแทงใช่ไหมก็จะพูดถึงความสุขที่เกิดจากกรรมนะตาหูจมูกลิ้นกายนั่นถ้ามี5อย่างอย่างนี้ก็จะมีความสุขนิดนึงแต่ว่ามีเครื่องเสียดแทงเยอะอย่างเช่นเราพูดถึงเวลาเรายุงกัด แล้วเราเกลาอย่างเงี้ยนะจะมีความสุขที่เกิดจากการเกานิดหนึ่งแต่ว่าผิวหนังถลอกแผล เ, เวอะแมลงวันตอมเนื้ออักเสบมีความไม่สบายตัวอย่างนี้เกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดอ๋อค่ะออันนี้คือสุขที่เป็นกามนะพระพุทธเจ้าจึงใช้มาตรฐานอยู่ที่ระดับของฌานที่สี่ค่ะต่ไปเรื่องของพละนะพละในที่นี้คือกําลังน ะ, ะกำลังบางคนทก็จะเข้าใจถึงกําลังคนกล้ามเป็นมัดมัดอย่างนี้ พระพุจ้าพูดถึงกําลังของจิตอันเนื่องมาจากความมีเมตตาเหมือนถ้าเรามีจิตเป็นเมตตาจิตใหญ่จิตกว้างขวางอันไพบูุญใหญ่หลวงเนี่ยเป็นมหากตะอย่างเงี้ยนี่คือความมีพละของพระพุทธเจ้าค่ะโ อ, ะอ้นี่เราก็อวยพรกันมานานนะคะอายุวันณะสุขภัลละให้มันเหมือนกับพอพูดถึงพรปุ๊บก็นึกออกมาเป็นอัตโนมัติบางทีไม่เข้าใจเลยว่ามันมีที่มายังไงอือแต่วันเนี้ย เราเพิ่งทราบว่าในพุทธวจนะถ้าเอามาใส่ไปในพรนี้ก็จะมีครบเลยสำหรับที่มาที่จะทำให้พรเกิดถูกไหมคะใช่ใช่เท่ากับว่าสมเด็จพระสังฆราชท่านดิฉันยนิยนที น, น, นติดใจตรงเนี้นะคะคือที่ท่านบอกว่าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลอำนวยอวยพรชั ย, ชยให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าเจริญอายุวรนะสุขภพวะเนี่ยคือเหมือนกับว่าเป็นบุญกุศลที่เราได้ทากันไปใช่ไหมคะใช่ Oh. คือใครทำบุญเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามันจะเปลี่ยนไปเป็น3ามี่อย่างสีห้อย่างนี้ oh, อ๋อค่ะก็เท่ากับว่าจะมีอายุวันนะสุขภพละในขอให้ท่านสร้างเหตุถูกคะเจริญอิทธิบาท4อิทธิบาท4ี่คืออะไรบ้างครัท่านคะอิทธิบาท4ี่คือความที่เรามีมีทำเครื่องประงแต่งอาศัยชั้นทะททำให้จิตเป็นสมาธิ ในมี <คะ S 1> ทำเครื่องปรุงแต่งอาศัยวิริยะทําให้จิตเป็นสมาธิ <คะ S 1> นั่นก็คือชันดะวิริยะจิตตวิมังสารวมถึง <คะ S 1> สมาธิแล้วก็ทําเครื่องปรุงแต่งในที่นี้หมายถึงเป้าหมายในชีวิตของเราสามอย่างรวมกันจะทําให้มีอายุอายุเพร อ, อายุยืนอะไรเงี้ยค่ะอายุยืนใช่อ๋อค่ะและถ้าหากว่าต้องการมีวันณะผิวพรรณงามให้รักษาศีลมีต้องมีศีลเป็นปกติใช่ค่ะแล้วก็ ถ้าต้องการมีความสุขอย่างแท้จริงไม่ใช่สุขที่เสียดแทงดิฉันใช้คำนี้ถูกไหมคะใช่ถูกต่างถูกผค่ะถ้าไม่ใช่สุขที่มันมัน ส, สุขบ้างเจ็บเจ็บปวดปว ด, ปวดบ้างสลับกันไปอย่างนี้ให้เข้าฌานให้ได้ถึงสมาธิโดยมีมาตรฐานเนี่ยคือระดับอยู่ที่ระดับที่4คือฌานสี่ คือมันจะไต่เต้าไปยังไงนะคะท่าน123ไปยังไงพอ ถ, ถึงตรงไหนแล้วท่านมั่นใจว่าท่านถึงชาน4ี่แล้วเนี่ยอยู่อยู่ที่ความเชี่ยวชาญนะนะคือบางคนอาจจะยังไม่เคยทำอาจฟุกฟุทําได้อย่างเด็กอย่างเงี้ยเพิ่งจะหัดเดินแต่ป๊อแต่เขาก็วิ่งเลยมันฟุกฟุกไปได้แต่มันต้องเป็นขั้นเป็นตอนมาพระพุทธเจ้าก็เคยเตือนเอาไว้ว่าในเรื่องของสมาธิเนี่ยเปรียบเหมือนแม่โคที่เขาปีนภูเขาราดชันเนี่ยถ้าเท้าหลังเขายืนไม่ดีเนี่ยแล้วเขาก้าวเท้าหน้าไปก่อนเนี่ย เขาถ้าหน้าก็จะทาให้เขายืนไม่ดีเขาก็จะถอยหลังกลับไม่ได้คว่ำหมดเลยคต่เช่นเดียวกันกับคนที่จะฝึกสมาธิเนี่ยเท้าหลังคุณต้องเหยียบอย่างมั่นคงก่อนเนื่อนจื่อพูดถึงฌานระดับต้นๆก่อ น, นมั่นคงแล้วคุณก็ค่อยไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปเพื่อจะกินหญ้าที่ยังไม่ได้กินกินน้ําที่ยังไม่เคยดื่มค่ะแต่ไม่ต้องไปกังวลมากคือปฏิบัติสมาธิไปเรื่อยๆดีกว่านะคะใช่ใช่เป็นขั้นเป็นตามเป็นตามลำดับค่ะแล้วก็จะได้สุขขาดส่วนพระนั้น ท่าอาจารย์บอกว่าเกิดจากจิตที่มีเมตตาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นนะคะกต้อเมตตาเนี่ยเปรียบเสมือนพละงกำลังค่ะมก็มาสรุปสุดท้ายว่าพรสมเด็จพระสังฆราชนี่ถือว่าเป็นพรศักดิ์สิทธิ์มากนะคะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้นคือหมายถึงสำเริจผลได้เนี่ยก็มันอยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยต้องกลับมาดูตัวเองว่าทำเหตุเพียงพอหรือเปล่าใช่่ ในสี่อย่างนี้เนี่ยน ะ, ะมันก็จะเป็นผลที่เราจะเกิดขึ้นได้อย่างบางทีเราฟังพระเนี่ยเวลาที่อนุโมทนาเนี่ยจะมีบทที่ว่าอายุวันนะสุขะพลังอะไรต่างเนี่ยนะก็คือความหมายพวกนี้ตรงนั้นเลยการคนที่ทำบุญด้วยการให้ทานอย่างใ ห, ใ ห, ให้อาหารพระสักมื้อหนึ่งอย่างเงี้ยเป็นการต่อชีวิตอายุของพระหนึ่งวันตอนนี้ก็จะเป็นไปเพื่อ อ, อายุอเราก็ต่ อ, อยุขึ้นมาอย่างเงี้ยคือ บางคนเขาก็บอกอย่างนี้นะคะการต่ออายุพระนี่เป็นการต่ออายุพระาศาสนาเพราะว่าพระจะไปทำหน้าที่ในการที่จะทำให้พระาศาสนานั้นเนี่ยอยู่ยืนไปยาวไปเป็นประโยชน์กับประชาชนเหตุประการหนึ่งที่ทำให้พระศัตยธรรมตั้งอยู่ได้น้นก็คือว่าการทรงสิ่งที่เป็นพุทธวจนะเอาไวา้เพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเช่วยเหลือบุคคลที่อยู่ใน เขาเรียกว่าคอยเผยแผ่คำสอนของพระเจ้าที่ถูกต้องนี่ก็จะเป็นการดีค่ะนะคะและสรุปสุดท้ายในวันนี้ก็คือเป็นวันที่ดิฉันถือว่าท่านได้หัวใจของสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมากในช่วงของปีใหม่ก็คือพอรอายุวันนะสุขภพละนะคะว่าถ้าจะให้ได้กันจริงๆจังเนี่ยเอาพุทธวจะนะไปปฏิบัติเลยย้าอีกครั้งนะคะอยากมีอายุให้เจริญอิทิบาสี ชันทาวิทยาจิตตาวิมางสานั้นถ้าอยากมีผิวพรรณงามให้รักษาศีลอยากมีสุขะให้ทําสมาธินะคะและถึงฌานสีเนี่ยจะถือว่าเป็นสุขะแต่ว่าก็ขอให้ท่านทําไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาขึ้นไปเองและถ้าจะให้จิตมีกําลังนะคะมีพะละขอให้ทําจิตของท่านให้มีเมตตายอยู่เสมอๆวันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านภับูรุ์ได้นําเอาพุทธวจนะมาตอบคําถามของเรา ได้อย่างเป็นประโยชน์ทันสมัยมากจริงๆต้องกราบนมัสการนะคะ <Yeah. S 1> ที่นําเอาธรรมะของพระพุทธองค์ที่เป็นอมะตะเนี่ยมาตอบในวันที่เขาพูดเรื่องนี้กันเยอะๆ <c oughs> ค่ะ <Okay. S 1> นวัสการค่ะน่าจะผ่านท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะ <c oughs> เป็นการที่น่าจะดีมากเลยที่ว่าเราตั้งใจจะขึ้นรอบใหม่ของปีดังที่ พอวาทพรปีใหม่ของสมเด็จพระสังฆราชและเราก็รู้วิธีที่จะพาเราไปถึงได้มันก็เหลืออยู่แค่เรานั่นแหละนะคะจะปฏิบัติตามวิธีที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนนี้ไว้หรือไม่โดยการสสนึกสนทนานะคะยินดีที่จะให้ความรู้ท่านในทํานองที่เอาไปปฏิบัติได้แล้วเกิดประโยชน์จริงกับชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอมตะไม่จํากัดการของพระพุทธองค์เนี่ยนะคะเราเรียกว่าพุทธวัชนะวันนี้ ก็เช่นเคยค่ะรายการของเราก็เป็นอมาตะเหมือนกันทุกวันเราถือว่าเราทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะคะเพราะนั้นปีจะเปลี่ยนไปเราก็ทำในสิ่งที่ดีที่สุดแบบที่เราทำอยู่เรามอบหนังสือพุททวจนะนะคะให้ท่านไปศึกษากันวันลาสามเล่มเหมือนเคยนะคะก็โทรมาที่ศูนย์ 06. สองสองหกเก้าูนย์ย์ย์หกสคำถามไปที่เพียวธรรม a .com/ หนึ่งศูนย์หก วันนี้ก็ขอให้ชีวิตปีใหม่ของท่านมีความสวัสดีด้วยการ น, นำเอาพุทธวจนะไปใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะพุทธวัตรสวัสดีค่ะ